สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีด้วยนะคะวันนี้บีมีเรื่องเล่ามาฝากคุณผู้ฟังค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องที่บีขออนุญาตนํามาจากกระทู้ผีเว็บไซต์พันทิปนะคะเว็บไซต์ชื่อดังของเมืองไทยจากผู้ที่เป็นเจ้าของกระทู้นะคะหรือว่าหมายเลขสมาชิก2 6 6 6 6 1กหนนะคะขออนุญาตเลยก็แล้วกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจ้าของกระทู้เองเนี่ย เคยเจอมาเมื่อสมัยยังเป็นเด็กนะคะเรียกว่านานมากอายุประมาณ1 0บถึงสิขวบได้ปหปหนะคะตอนนั้นจําได้ดีว่าเป็นช่วงหน้าร้อนเ่ยประมาณเดือนพฤษภามิถุนาก็อย่างที่รู้กันว่าเป็นฤ ด, ดูการของมะม่วงด้วยแถวบ้านนี่ต้นมะม่วงเยอะมากก็ออกลูกสุกเต็มต้นคุณแม่นี่ก็ชอบเก็บมาทํามะม่วงกวนแถวแถวนั้นแทบทุกบ้านนะคะก็จะมีการทํามะม่วงกวนไว้กินกันหรือทางต่างจังหวัดถ้าเป็นบ้านบีเนี่ยเขาจะเรียกมะม่วงแผ่น อันนี้ถ้าเป็นแผ่นแบบใบตากแห้งกลมๆแล้วก็เอามาม้วนม้วนๆเป็นมะม่วงแผ่นแต่ถ้ า, าว่าอยู่ในกระปุกเนี่ยเขาเรียกมะม่วงกวนนะคะเด็กๆก็มีหน้าที่ไปเก็บมะม่วงมาให้แม่ละคะ่ะก็คือเก็บกันแบบเอาเป็นเอาตายมืดค่ํายังไงก็ไม่สนใจแต่ที่จะเล่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดตอนค่ามันเกิดตอนเช้ามืดนะคะวันนั้นจําได้แม่นเลยแม่ปลูกมาตั้งแต่ตีสีเลยนะเพราะว่าแม่ตื่นเชา้าต้องลงมานึ่งข้าวแม่ปลูกมาด้วยความที่วันนี้เนี่ยมีนัดกับเพื่อน ว่าจะออกไปเก็บมะม่วงกันนะคะซึ่งตอนนั้นเวลาประมาณตีสี่ครึ่งก็เตรียมตัวมีไฟฉายมีตะกรา้าเอาไว้ใส่มะม่วงแล้วก็เดินมาสมทบกันกับเพื่อนอีก5้าคนตอนนั้นชาวบ้านก็ตื่นมานึ่งข้าวกันบ้างแล้วก็เลยไม่ได้น่ากลัวอะไรนะคะก็เดินเท้ากันไปแล้วค่ะเพราะว่าต้นมะม่วงแต่และต้นเนี่ยจะอยู่ข้างข้างในที่นาไม่ได้อยู่ตรงถนนใหญ่ก็เดินกันไปเก็บกันไปเรื่อย ได้บ้างไม่ได้บ้างสนุกสนานเฮฮากันไปตามประษาเด็กวิ่งแย่งมะม่วงกันบ้างเอาที่เอามะม่วงที่มันเน่าเ่าแล้วปาใส่กันบ้างก็สนุกดีแต่พอเก็บมาได้สักพักหนึ่งก็นั่งพักกันตอนนั้นเนี่ยฟ้ายังมืดอยู่เลยยังไม่ถึงตีห้าด้วยซ้ำมัง้งก็ได้มะม่วงประมาณคนละครึ่งตะกร้าค่ะคือมันยังไม่พอมันต้องหาเพิ่มอีกทุกคนก็เลยตกลงกันว่าจะเดินเก็บไปเรื่อย จนมาถึงต้นมะม่วงชายป่าต้นใหญ่ต้นหนึ่งค่ะลูกดกสุกเต็มต้นเลยลูกไหนที่มันสุกงอมก็จะหล่นลงพื้นบอกเลยว่าเยอะมากดีใจกันยกใหญ่เลยละฮะรี บ, ร, บรีบเก็บจนจนได้เต็มตะกรา้าก็จะกลับกันแล้วพอดีมีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งมันก็มากแกล้งตะโกนบอกพีผีผนี่ยน ะ, ะเด็กผู้หญิงก็ร้องกรีดวีดวายมันก็หัวเราะชอบใจกันใหญ่ ก็แกล้งกันไปสักพักหนึ่งมันก็เหมือนมีอะไรมาดนใจให้ทุกคนนี่คืองเงียบพร้อมกันคืองเงียบแบบไม่ได้นัดหมายเลยนะก็ได้ยินเสียงดังแกรกแๆรเหมือนเสียงคนเดินย่ําเท้าหนักๆเดินมาจากในป่าตอนแรกก็มองหน้ากันแล้วคิดว่าเออคงเป็นหมาหรือไม่ก็สัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งพอทุกคนมองไปที่ต้นเสียงก็เจอค่ะเป็นคนผู้ชายรูปร่างใหญ่ใส่เสื้อสีน้ําเงินกางเกงขาย า, ยาวอ่าเป็นกางเกงขากาวยสีดําไม่ใส่รองเท้า โดยลักษณะเท้าของแกนี่คือใหญ่มากนะคะถ้าใส่รองเท้านี่คงจะต้องเป็นประมาณเบอร์ 47-48 ่แกก็เดินแครกแครกออกมาจากป่าทุกคนก็เพ่งมองดูว่าเป็นใครเพราะว่าอาจจะเป็นคุณตาเจ้าของต้นมะม่วงก็ได้เพราะว่าแกชอบมาที่นาของแกตอนเช้าเป็นประจำเลยทุกคนที่ยืนดูอยู่ก็ห่างกันกับแกประมาณ10เมตรนะคะในขณะที่กาลังจะเอ่ยปากทักแกบอกว่าคุณตาไปไหนมาตั้งแต่เช้าประมาณนั้น ยังไม่ทันที่จะพูดจบค่ะแกก็เดินเข้ามาใกล้เหลือห่างจากเด็กๆทุกคนนี่ไม่ไม่กี่ก้าวซึ่งตอนนั้นฟ้าก็เริ่มสลัวแล้วเพราะว่าใกล้จะสว่างแล้ว ทีนี้ชัดเจนเลยค่ะคุณผู้ฟังมาแต่ตัวค่ะหัวไม่มีเห็นชัดมากมากจนเห็นว่าตรงคอแกน่าจะโดนฟันหรือไม่ก็โดนอะไรตัดออกไปเพราะว่ามันเป็นแผลเวอะหวะเลือดนี่ยังคงมีอยู่เลยพอเห็นแค่นั้นแล้วค่ะก็วิ่งสิรออะไรเพื่อนห้าหคนที่เห็นก็คือวิ่งอย่างเดียวรองเท้าไฟฉายตะ ก, กร้าไม่เอามันละวิ่งไปจนถึงถนนใหญ่ ลืมบอกไปว่าจุดที่เราเจอนี่ห่างจากถนนใหญ่มากพอสมควรพอถึงถนนใหญ่นะคะทั้งเจ้าของกระทู้เองทั้งเพื่อนเองพากันร้องห่มร้องให้พูดกันไม่รู้เรื่องจนมีชาวบ้านที่เขาต้องเอาวาัวเอาควายออกมาเลี้ยงมาเจอเข้ามาถามก็เอาแต่ร้องให้คือมันพูดไม่ออกนะคะเจอมาขนาดนั้นพอสักพักหนึ่งพ่อกับแม่ก็มารับแล้วก็ทาพิธีอะไรวุ่นวายไปหมด คือเขาบอกว่าต้องเรียกขวัญผูกข้อไม้ข้อมือแล้วก็รดน้ํามนต์ซึ่งมารู้อีกทีหนึ่งว่าที่ตรงนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเป็นป่าช้าเก่าคือถ้าตายปกติเขาก็จะเผาแต่ว่าถ้าตายโหงเนี่ยเขาก็จะเอาไปฝังแล้วที่พวกเราไปเจอเนี่ยเธอจกน่าจะเป็นตาสีนะคะซึ่งแกถูกโจรฟันคอขาดแล้วก็ปล้นบ้านแกเมื่อนานมาม า, มากแล้วแกคงดำคานล้ค่ะที่ไปส่งเสียงดังในที่ของแกแกก็เลยออกมาให้เห็นนะคะและที่ที่เคยไปหาของป่ากับพ่อเนาะคือไปตอนกลางวา ที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีหลุมศพเยอะมากมีถ้วยมีชามมีของใช้เก่าๆเต็มไปหมดพ่อบอกว่ามันไม่น่ากลัวหรอกถ้าเราไม่ไปกวนเขาเราก็หากินไม่เป็นไรต่างคนต่างอยู่จนมาถึงทุกวันนี้ค่ะที่ตรงนั้นก็ยังคงอยู่นะคะแต่ว่าต้นมะม่วงเจ้าของเขาตัดขายไปแล้วและนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เจอมาเต็มๆจนต้องทําให้เชื่อว่าผีมันมีอยู่จริงนะคะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณยาย เรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่เป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากคุณยายนะคะคือที่บ้านเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ดคนมีเจ้าของเรื่องมีพ่อมีแม่มีน้องชายมีตามียายแล้วก็มีน้าผู้ชายอีกสองคนนะคะตอนนั้นเจ้าของเรื่องเองอายุ16ปีอยู่มสี่ยายแกป่วยมานานละเป็นหลายโรคเลยเบาหวานไตาวายความดันก็พากันไปรักษาตลอด จนมาถึงระยะสุดท้ายนะคะคือแกเป็นไตาวายหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่ถึง10วันก็พายายกลับบ้านซึ่งตอนนั้นที่หมู่บ้านนี่เชื่อกันว่ามีผีปอบอารวาดคือบางคนนะอยู่ดีๆก็ตายค่ะแต่ว่าบางคนเนะี่ยป่วยเป็นไข้นิดหน่อยก็ตายส่วนใหญ่จะเป็นคนแก่ๆทั้งนั้น ทีนี้ก็พายายมาอยู่ที่บ้านค่ะโดยให้ยายนี่นอนอยู่ข้างล่างเพราะว่าจะได้สะดวกหน่อยเพราะว่าแกเดินไม่ได้ก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนอนเฝ้ายายจนเวลาผ่านไปเดือนกว่าทั้งๆ ท, ท, ที่หมอบอกว่าสิบวันแต่ยายอึดมากอยู่ๆไปนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนี้ก็ยังคงปกติอยู่นะคะยายก็มีอาการดีขึ้นกินข้าวได้พูดคุยหัวเราะเพียงแค่ว่ายังเดินได้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นัก แต่ว่ามีอยู่คืนหนึ่งค่ะคืนนั้นเจ้าของเรื่องเองเนี่ยไม่ได้เฝ้ายายนอนอยู่ข้างบนบ้านนะกับน้องชายส่วนพ่อแม่เนี่ยแล้วก็ตานะคะก็นอนอยู่ข้างล่างนะอีกสองคนไปทำงานที่กรุงเทพยังไม่ได้กลับมาบ้านก็นอนอยู่บนเตียงค่ะเป็นเตียงเก่าของตากับยายตอนที่ยายยังไม่ป่วยยายกับตาก็นอนตรงนี้นะคะตรงหัวเตียงนี่มันจะเป็นหน้าต่างไม้ซึ่งคืนนั้นเนี่ยฝนตกไฟดับ พอฝนหยุดไฟก็ยังไม่มาทุกคนก็เลยเปิดหน้าต่างนอนเพราะว่าอากาศมันร้อนอบอ้าวพอสมควรก็นอนไปสักพักหนึ่งนะคะก็มีลมเข้ามาในห้องหันไปทางน้องชายก็ยังคงนอนหลับอยู่เจ้าของเรื่องก็เลยนอนต่อไปพอผ่านไปสักพักหนึ่งนอนยังไม่หลับด้วยซ้ำได้ยินเสียงคนคุยกันค่ะเป็นเสียงผู้ชายแก่ๆ ก, กับผู้หญิงเขาคุยกันประมาณว่า อันนี้เป็นภาษาอีสานเะน่ว่าเดี๋ยวเป็นภาษาไทยกลางให้และกันคือพูดาภาษาอีสานบอกว่ า, าไหนว่ามันอยู่ตรงนี้ไงผู้หญิงก็เลยบอกอยู่สิมันอยู่ที่นี่แหละฉันรู้ฉันได้กลิ่นลูกหลานมันคงเฝ้าไว้เราก็เลยมองไม่เห็นผู้ชายก็เลยบอกแล้วอีหนูนี่กับบักนี่ละ่ะประมาณนี้นะคะคือเรียกเป็นผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงก็เลยบอกอย่าไปใกล้มันปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวพอพวกมันเผลอเราค่อยมาอีกทีนึงตอนนี้กําลังเคลิมนะคะคุณผู้ฟังครึ่งหลับครึ่งตื่น แต่คิดว่าคงไม่ได้ฝันแหละนะตอนนั้นก็กลัวแล้วคะแต่ก็พยายามจะลืมตาดูว่าเป็นใครแต่มันก็ทำไม่ได้เหมือนกับลืมตาไม่ขึ้นจนหลับต่อไปอีกตอนไหนก็ไม่รู้ตื่นมาอีกทีหนึ่งคือเช้าแล้วก็อาบน้ำไปโรงเรียนตามปกติโดยที่ลืม เรื่องเมื่อคืนไปแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในช่วงสอบก็ได้ก็เลยไม่ได้คิดอะไรทีนี้พอลงมา้างล่างเตรียมตัวจะไปโรงเรียนค่ะก็เห็นแม่ป้อนข้าวยายอยู่สีหน้ายายเนี่ยดูเหนื่อยๆชอบกลแต่ก็ยังยิ้มแล้วก็บอกกับหลานเนี่ยบอกว่าขอให้ตั้งใจสอบแล้วก็เลยถามยายบอกว่ายายยายอยากกินอะไรไหมสอบเสร็จจะซื้อมาฝากยายก็เลยบอกว่ายายอยากกินข้าวเหนียวปิ้งพอสอบเสร็จค่ะก็กลับมาหายายซื้อข้าวเหนียวปิ้งมาให้ยายด้วย ตอนนั้นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นก็ป้อนขนมยายส่วนพ่อกับแม่ออกมาดูข้าวที่ทุ่งนาเมื่อคืนฝนตกหนักก็เลยต้องออกมาดูว่าน้ำเนี่ยมันจะท่วมข้าวไหมคันนาจะขาดหรือเปล่าตอนนั้นเจ้าของเรื่องก็อยู่กับคุณยายแล้วก็คุณตาเพียงแค่3าคนนะคะพอยายกินข้าวเสร็จแกก็นั่งพักก็เช็ดตัวให้ยายทําความสะอาดให้ยายเรียบร้อยแล้วก็ปูที่นอนให้แกรอให้อาหารย่อยสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยนอนผ่านไปสักพัก คุณตาก็เข้าไปในครัวก็เลยบอกคุณยายนะะีคะบอกว่าคุณยายนอนรออยู่ตรงนี้นะจะขึ้นไปบนบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าพอเดินขึ้นบันไดค่ะก็มองไปที่นอนของยายเหมือนแกหายใจปแปลกๆไงก็ไม่รู้ก็ไม่ได้คิดอะไรนะคงจะเป็นเพราะว่าแกนอนละมั้งแกก็เลยหายใจแรงประกอบกับตอนนั้นเนี่ยท้องแกเริ่มบวมมันก็เลยทําให้เวลาหายใจเนี่ยท้องแกมันจะดูพองผิดปกตินะคะก็ลงมา าจากข้างบนบ้านแล้วไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วลงมาข้างล่างตาก็ยังคงอยู่ในครัวก็เดินมาหายายซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัวของยายอยู่บนฟูกแค่ช่วงบนส่วนช่วงเอวลงมาถึงขาเนี่ยแกอยู่บนพื้นก็เลยปลุกแกหน่อยเพื่อให้แกขยับตัวขึ้นมานอนบนฟูกก็ปลุกยายยายยายได้ยินหนูไหมทุกอย่างก็ยังคงเงียบงันนะคะก็เรียกยายอยู่ประมาณ 3- สครั้งยายก็ไม่ตื่นค่ะตอนนั้นนอ อ, อ่คุณยายเนี่ยนอนหงาย แต่ว่าแขนของยายเนี่ยจะปิดหน้าเอาไว้ก็เริ่มใจคอไม่ดีละพอดีพ่อกับแม่กลับมาแม่ก็ถามว่ามีอะไรก็เลยบอกแม่ว่าปลุกยายแล้วยายไม่ตื่นแม่ก็เลยรีบวิ่งมาดูมาปลุกยายเหมือนกันแต่ก็เงียบค่ะสุดท้ายแม่ก็เลยเอาแขนที่ปิดหน้ายายออกปรากฏนะคะว่ายายไม่หายใจแล้วริมฝีปากคล้ำจนเป็นสีม่วงแต่ว่าตายายเนี่ยหลับสนิทเลยนะคือยายเสียแล้วค่ะทีนี้เจ้าของเรื่องนี่เสียใจมากที่ปล่อยยายไว้คนเดียว พอสักพักหนึ่งก็รีบประทำความสะอาดแล้วก็ตั้งศพยายไว้ที่บ้านตามประเพณีของคนอีสานจะไม่นิยมตั้งศพไว้ที่วัดนะคะคืนแรกค่ะงานศพผ่านไปได้ด้วยดีแต่ว่ามีติดขัดบ้างเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าฝนฝนตกหนักพายุก็เข้าไฟก็ดับคือเป็นแบบนี้อยู่เกือบทุกวันแต่ว่าก็ไม่ได้กลัวอะไรนะเพราะว่าตอนที่ยายป่วยก็นอนเฝ้ายายอยู่ทีนี้ยายตายก็นอนเฝ้าใกล้ๆโรงศพยายตลอดแล้วก็แต่ละคืนค่ะพระจะมาสวดที่บ้าน ระหว่างที่สวดเนี่ยพวกลูกหลานก็จะมีหน้าที่นะคะนำถาดอาหารที่มีพวกอาหารคาวหวานจุดเทียนหนึ่งเล่มแล้วก็รยขี้เท่าไว้ตรงถาดโดยมีความเชื่อนะว่าถ้าหากวิญญาณคนตายมากินของที่เราหาไว้ก็จะทำให้เกิดรอยขี้เท่าระหว่างนั้นต้องคอยดูด้วยว่าต้องไม่ให้เทียนดับนะโดยเจ้าของเรื่องเนี่ยมีหน้าที่คือต้องเฝ้าเทียนห้ามให้เทียนดับเฝ้ากับน้องชาย ก็เป็นเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนข้างบ้านอีกคนหนึ่งนะคะพอพระสวดไปสักพักหนึ่งเพื่อนมันก็อุ้มน้องตัวเล็กๆประมาณสองขวบกว่ามาบอกว่าแม่ไม่อยู่ให้เราไปช่วยดูน้องด้วยก็เลยตกลงนะคะก็ดูแลน้องด้วยเลี้ยงน้องไปด้วยแล้วก็ดูเทียนไปด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เทียนเนี่ยมันดับนะคะพอพระสวดไปสักพักหนึ่งทีนี้ก็เล่นกับน้องไปดูเทียนไป สักพักน้องมันก็ชี้ไปที่ถาดกับข้าวแล้วก็เรียกยายยายยายมากินข้าวซึ่งน้องคนนี้จะรู้จักกับยายเพราะว่าตอนยายยังอยู่เนี่ยแม่ของน้องชอบเอามาฝากที่บ้านให้เลี้ยงไว้ยายก็ชอบเด็กอยู่แล้วไงก็เลยสนิทกันก็เลยพยายามมองนะแต่ไม่เห็นอะไรน้องมันก็เรียกยายยอยู่ตลอดจนเสร็จพิธีนะคะเจ้าของเรื่องก็เลยเดินไปเก็บสำรับค่ะพอไปดูตรงขีเท้าปรากฏนะว่ามีรอยคล้ายๆกับที่เราเอามือไปเขี่ยหรือไปวาดเป็นเส้นนะคะ ก็ตกใจเอาไปให้แม่กับคนเท่าคนแก่ดูเขาก็บอกกันว่ายายคงมากินข้าวที่เราหาไว้นั่นแหละคือมันอัศจรรย์มากเลยเพราะว่าเป็นคนโรยเองกับมือแล้วก็เป็นคนเฝ้าด้วยว่ามันไม่มีอะไรเลยแต่มันเกิดรอยได้ยังไงตั้งศพยายไว้ที่บ้าน3วันค่ะแล้วก็เผาตลอดงานศพคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ามันมาเกิดหลังงานศพเนี่ยค่ะหลังงานศพยาย3ามสี่วันก็เกิดมีผี เข้ายาอีกคนหนึ่งที่อยู่บ้านถัดไปขอเรียกว่าเยสากัละกันนะคะเยสานี่ก็กจะเป็นคนจิตอ่อนหรืออะไรก็ไม่ทราบได้เพราะว่าแกถูกผีเข้าบ่อยมากครั้งนี้เช่นกันแต่ว่าผีที่เข้าเนี่ยแกว่าเป็นผีปอบนะ คนที่หมู่บ้านที่เล่นของแล้วเอาไม่อยู่เนี่ยรู้ด้วยนะคะว่าเป็นใครก็ไปดูตอนที่เขาจะทำพิธีขับไล่ตอนนั้นภาพที่เห็นคือยายสาเนี่ยถูกชาวบ้านจับไว้แล้วก็เอาแหยคลุมทั้งร่างแกก็ร้องเอะอะโวยวายนับตาแหยใหญ่เลยค่ะว่ามีกี่ตาเพราะว่าชาวบ้านขู่ว่าถ้าไม่บอกว่าเป็นใครมาจากไหนก็ให้นับตาแหซะว่ามีกี่ตาแล้วจะปล่อยออกไปแกก็นับใหญ่เลยเลค่ะหนึ่งสมสี่ แล้วก็กลับมานับ1 2ึ่สาสใหม่อยู่งั้นหลายรอบสุดท้ายแกก็ยอมบอกว่าแกเป็นใครขอเล่าบทสนทนาย่อๆนิดนึงหมอผีบอกว่าถ้าแกนับไม่ไหวก็บอกว่าเป็นใครมาจากไหนบอกมาแล้วรีบออกจากร่างนี้ซะผีปอบ ก, ก็บอกจะออกแล้วจะออกแล้วไม่ไหวแล้วตาลายแล้วเจ็บๆก็ถูกตีด้วยว่านไฟด้วยหมอก็เลยบอกว่าถ้าเป็นใครถ้าบอกว่าเป็นใครแล้วจะปล่อยผีปอบ ก, ก็บอกบอกว่า ค่าชื่อจุดๆ อ, อยู่กับใครนีค่ะอยู่มานานมากแล้วกินคนในหมู่บ้านหลายคนหมอ ก, ก็เลยบอกว่ามีใครบ้างเองลองบอกมาสิผีปอบก็บอกว่ามียายคนนั้นตาคนนี้เยอะมากแต่ไม่ขอเอ่ยนามประมาณสิบกว่าคนได้ค่ะแล้วหนึ่งในนั้นก็มียายเราด้วยมีบอกด้วยนะบอกว่ากว่าจะกินยายได้เนี่ยต้องใช้เวลานานมากเพราะว่าลูกหลานมันเยอะเข้าไปกินไม่ได้ วันที่ยายเสียมันบอกเลยว่ารอเวลาให้ลูกหลานมันเผลอแล้วก็เข้าไปหักคอแล้วก็กินนี่เจ้าของเรื่องบอกเรานี่ขนลุกเลยเพราะว่าตอนยายเสียเนี่ยคอยายเนี่ยอ่อนมากอ่อนจนมีเสียงดังกรอบๆเลยแหละค่ะตอนที่ทําความสะอาดเปลี่ยนชุดให้ยายยังสงสัยอยู่เลยว่าเอ๊ะทำไมคอยายถึงมีเสียงเพราะว่ายายนอนตายแบบนิ่งๆคอก็ไม่ได้กระแทกกับอะไร มีบอกด้วยนะว่าคนนั้นกินอร่อยคนนี้กินไม่อร่อยส่วนใหญ่คนที่มันบอกว่ากินไม่อร่อยเนี่ยจะป่วยเป็นโรคเน่าจากข้างในเป็นพวกมะเร็งตับมะเร็งปอดอะไรประมาณนี้ตอนนั้นจำได้นะฮะว่าพวกชาวบ้านต้องลงขันกันจ้างหมอผีมาทำพิธีไม่ได้ไล่นะแต่เขามาทำพิธีกันบ้านกันเรือนนะคะคือการไม่ให้ผีหรือว่าสัมภเวสีเข้ามาในบริเวณบ้านได้ส่วนคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบเนี่ย เราก็ทำอะไรเขาไม่ได้ด้วยเพราะว่าเรื่องแบบนี้ถ้าไม่มีหลักฐานก็ไปว่าอะไรเขาไม่ได้ก็เลยต้องกันไว้ก่อนนะคะถึงจะไม่เชื่อแต่ก็ต้องกันไว้แหละเนาะกลัวเหมือนกันค่ะไอ้พวกที่มองไม่เห็นเนี่ยทีนี้พอเวลาผ่านไปถึง2อาทิตย์นะคะทุกคนก็ใช้ชีวิตกันตามปกติไม่มีอะไรแต่ว่าน้องชายนี่จะกลัวยายมาก ตอนนั้นน้องชายอยู่ประมาณป .5 ค่ะอายุ11ขวบคือมันจะไม่กล้านอนคนเดียวว่างั้นเถอะคือต้องต้องต้องต้องมานอนห้องเจ้าของเรื่องตลอดตอนนั้นเนี่ยก็ย้ายมานอนชั้นล่างแล้วแต่ว่าน้องก็ยังคงตามลงมาอีกพ่อกับแม่นอนข้างบนคือบ้านชั้นล่างจะมีห้องนอนหนึ่งห้องก็จะนอนกับน้องชายจะนอนบนเตียงด้วยกันเลยคือนอนชิดขวาติดกาแพงส่วนน้องเนี่ยนอนฝั่งซ้ายกลางมุ้งด้วยนะคะเพราะว่าบ้านนอกอยุงเยอะ ตรงปลายเท้านี่จะเป็นชุดเครื่องเสียงทีวียิ่งเยื้องมาหน่อยจะเป็นโต๊ะคอมแล้วก็ประตูห้องคืนนั้นน้องไม่ค่อยสบายค่ะน้องเป็นโรคหอบป่วยบ่อยด้วยแล้วก็เป็นความดันด้วยเพราะว่าตัวค่อนข้างอ้วนหนักประมาณ80กิโลเลยนะตอนนี้25หนักร2 0กิโลเจ้าของเรื่องว่ามาแบบนี้เวลาเป็นหวัดหรือเป็นไขมันจะนอนลำบากมากซึ่งเรื่องอาการป่วยของน้องเนี่ยยายจะเป็นห่วงมาก คืนนั้นค่ะก็อาบน้ำเปิดทีวีตามปกติส่วนน้องชายเนี่ยก็ให้ไปกินยาแล้วก็นอนพักผ่อนพอเวลาดูทีวีได้สักพักหนึ่งเอ๊ก็รู้สึกง่วงง่วงนะคะแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็อยากดูให้มันจบๆก็เลยตั้งเวลาปิดไว้เผื่อหลับหลับเพลินลืมบอกไปตอนนั้นปิดไฟหมดละ ห้องนอนเนี่ยมันน้องคือน้องมันนอนอยู่มันกลัวมันด่าก็เลยต้องปิดไว้ก่อนแต่ว่าห้องเนี่ยไม่มืดนะเพราะว่ามันมีแสงสว่างจากทีวีแล้วก็แสงไฟจากข้างนอกบ้านที่เปิดไว้ตลอดลอดเข้ามาในห้องก็เลยดูสลัวนะคะพอมองเห็นบ้างว่าอะไรเป็นอะไรก็เลยหลับได้สักพักหนึ่งตื่นมาดูน้องเพราะว่ามันไอ ตอนนั้นทีวีปิดไปแล้วแต่ก็ยังมีแสงอยู่จากข้างนอกลอดเข้ามาทำให้มองเห็นได้บ้างนะคะพอดูน้องแล้วเห็นมันไม่ได้เป็นอะไรก็เลยนอนต่อแต่ก็ยังนอนไม่หลับสักทีหนึ่งค่ะก็นอนพลิกซ้ายทีขวาทอีอย่างนั้นมือก็คลำหารีโมทไปนะคะสายตามันไปสะดุดกับอะไรบางอย่างไง คล้ายกับผ้าอยู่ทางฝั่งที่น้องนอนก็เลยนอนเพ่งมองดูชัดๆว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันสิ่งที่เราเห็นคือผ้าถุงสีฟ้าคุณผู้ฟังถัดขึ้นไปคล้ายกับเป็นเงาคนก้มๆเงยๆ เ, เหมือนพยายามจะเข้ามุ้งมาทาอะไรไม่ถูกเลยค่ะได้แต่มองตอนนั้นขยับตัวได้นะคะแต่ไม่กล้าขยับกลัวเขาดูไงว่าเราเห็นเขาผ่านไป5้านาทีค่ะเงานั้นก็ค่อยๆเดินมาไม่ใช่สิ ต้องบอกว่าลอยมามากกว่านะเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงเดินเลยค่อยๆลอยมาทางเจ้าของเรื่องเนี่ยซึ่งตอนนั้นก็ยังเห็นเป็นเงาอยู่แล้วก็มาหยุดอยู่ที่ปลายเตียงตรงกับที่นอนพอดีมาถึงตอนนี้โหชัดเลยเงาที่เห็นนี่คือยายเองใส่ผ้าถุงสีฟ้าแต่ไม่ใส่เสื้อเพราะว่าแสงเนี่ยใส่เสื้อสีอะไรไม่รู้นะคะเพราะว่าแสงมันส่องไปไม่พอแต่ว่ารูปร่างโดยรวมแล้วคือเป็นยายแน่นอนก็มองเขาก็มองต่างคนต่างมองทะลุมุ้งกันค่ะ มองไปนิ่งไปเนีคะแล้วยายก็ค่อยๆถอยห่างออกไปห่างออกไปเหมือนกับยายจะรู้แหละว่ากลัวกลัวนะคะอะไรประมาณนี้ไปทางประตูค่ะถอยไปทางประตูแล้วก็หายไปเลยแล้วก็ลุกขึ้นนั่งทีนี้เจ้าของเรื่องเนี่ยพยายามคิดนะว่าเอ๊ะสิ่งที่เห็นคืออะไรกําลังสับสนอยู่จูจูน้องชายก็เปิดไฟหัวเตียงก็ถามว่าเป็นอะไรก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรนอนต่อเถอะมันก็ไม่ยอมไงทีนี้ พอมันไม่ยอมมันก็ถามตลอดบอกว่าเห็นอะไรเห็นอะไรประมาณนี้เจ้าของเรื่องก็งงค่ะว่าเออมึงจะเซ้าซีอะไรนักหนาวะก็เลยบอกน้องไปบอกว่าอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะเล่าให้ฟังก็เลยยอมนอนซึ่งก่อนจะนอนก็เลยดูนาฬิกาค่ะซึ่งตอนนั้นตีหนึ่งแล้วพอตอนเช้าเนี่ยแม่ลงมาปลุกก็กําลังจะเล่าให้แม่ฟังกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแม่ก็เลยถามก่อนเลยเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนเจออะไรบ้างหรือเปล่าเจ้าของเรื่องก็บอกเฮ้ยแม่ดูได้ยังไง แม่เล่าว่าเมื่อคืนนแม่นอนอยู่แบบครึ่งหลับครึ่งตื่นแม่เห็นยายมานั่งอยู่ข้างมุง้งมาปลุกให้แม่ลงไปดูน้องชายหน่อยมันไอทั้งคืนกลัวมันจะหอบขึ้นนี่กูก็ไปดูมาแล้วมันไอใหญ่เลยแกมาแนวบ่นนะบ่นว่าทําไมแม่นอนขี้เศรา้าไม่ยอมไปดูลูกอะไรประมาณนี้แต่ว่าแม่นี่คือแม่ง่วงไงก็เลยไม่ได้สนใจนะคะแต่ว่าก่อนที่ยายก่อนที่จะตอบกลับไปหาย า, ยายแบบง่วงๆแบบฝันๆว่าอแล้วจะไปดูแลแม่ก็หลับไปค่ะ เจ้าของเรื่องก็เลยเล่าทุกอย่างให้แม่ฟังตอนเล่าเนี่ยน้องก็นั่งฟังเงียบๆนะไม่พูดอะไรแม่บอกว่ายายก็คงจะเป็นห่วงแหละแกก็เลยมาหาอย่ากลัวยายกันเลยเอาจริงๆเราไม่กลัวนะแค่ตกใจนิดนึงพอไม่มีอะไรแล้วก็เลยชวนแม่ไปวัดทำบุญให้ยายแต่ก่อนจะไปก็ไม่ลืมที่จะพูดแซวน้องชายว่าแกน่นอนขี้เซายายเป็นห่วงยายมาหาแกยังหลับได้น้องก็เลยบอก ใครบอกว่ากูหลับกูณนะ่ตื่นตั้งแต่มึงนอนพลิกไปพลิกมาละแล้วลตอนยายมาก้มดูมันนะมันเห็นหน้ายายแบบชัดระดับ HD เลยแต่มันกลัวยายมันก็เลยทำอะไรไม่ถูกไงก็เลยแกล้งทําเป็นหลับเรื่องของยายก็มีอยู่แค่นี้นะคะไว้มีเรื่องอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงก็แล้วกันนะคะ และทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในพระเจอผีอย่าลืมกดแชร์กดไลค์คลิปนี้ให้เราด้วยแล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วละค่ะขอบคุณกับการติดตามรับฟังลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ